เก้ากาจจันต้องการนะเพื่อนสัธรรมิกที่เขาลเจรรพรบัญญัติจิญาติโยอมพลังปกสติกันการฝปกสติก็คือการกลับมาที่กายที่ใจของเราวัตถุรูปธรรมนามธรรม พอกลับมานั่นแหละคือการฝึกหัดกาใจก็เลว่าปฏิบัติธรรมมาวัดมาปฏิบัติธรรมไม่เกี่ยวกับวัดป่าสุโกโตหรือว่าวัดไหนๆทุกครั้งที่กลับมาที่ไกาที่ใจมันก็คือวัดวัดสุขวัดทุกขสุขทุกมันเป็นสวรรค์เป็นนรก ทำชั่วอาจจะสุขก็ได้ทำดีอาจจะทุกข์ก็ได้มันไม่แน่หรอกขึ้นอยู่กับบัญญัติของแต่ละบุคลบคลก็กําหนดของแต่ละบุคคลนิสัยไม่ใส่ใ ส, สันดานของแต่ละบุคคลแต่ละเวลาแต่ละกันแต่ละเหตุปัจจัยเราก็กลับมาศึกษาเราได้เห็นของจริงแล้วเนี่ยเห็นของจริงเห็นความจริง มันก็วางตรงนั้นนะมันก็ปล่อยตรงนั้นนะมันก็ไปเย็นไปถือตรงนั้นนะกนเห็นของจริงนะเราก็จึงมาฝึกหัดรับรู้เรียนรู้ก็อยายให้ผลพัฒนาให้มันยิ่งขึ้นไปตัวใครตัวเราอย่างเมื่อวานเราเห็นว่าบุญกระถิ่นคนเยอะสามสี่ร้อยคน แต่พอมันเป็นเรื่องของการปินบัติก็ต้องตัวเราตัวใครตัวเราลนะเกี่ยวข้องทางจริยธรรมวัฒนธรรมประเพณีบุญนิยมเดือนนี้กะบุญกระถิ่นเดือนหน้ากะบุญลอยกระทงส ม, มุติบัญญัติไว้โดยภูมิปัญญาของชาวบ้านโบราณการผ่านมาแล้วเนื่องจาก พุสศาสนามนมีรายละเอียดขยายกว้างขวางแต่เราวาหรือว่าเรื่องของมหายานซึ่งเราก็ผ่านการศึกษาจากกว้างขวา ง, ข, วางขยายผลจนรวมตัวมาเป็นจุดเดียวกันก็คือการฝึกสติสัมปชัญญะที่องค์สมเด็จสัมมาวุเจ้าพูดถึงใบไม้กำมือเดียว ทำมาที่เราฝึกเราเรียนรู้รับรู้ฝึกหัดจนทางบันไดแก่นเป็นพิมุติแก่นเป็นพิมุติหลุดพ้นจากอารมณ์ทั้งปวงเราฝึกสติดูกายมันก็พ้นที่กายนี่แหละเกิดการปล่อยการวางฝึกตีจิตตรงกลางทีรง่รู้จึกมันคิดมันนึกมันมีอารมณ์ตามอารมณ์ต่างๆเกิดขึ้นมามันก็ปล่อยก็วางเหมือนกัน ความรักความชังความโกความกด ค, ความหลงเบื่อหน่ายมีตกกังวลฟุง้งซ่้นปเปล่าเปลี่ยวเดือดขี้น้อยใจปัญหาต่างๆแก้ไม่ตกมันก็จบตรงนี้นะรู้สึกตัวกลางที่รู้สึกก็หลุดมันก็พ้นตรงนั้นลำของจริงรูปตามนามํากันห้างเราแสดงปรากฏเอาตรงตรงนี้มันก็เป็นเรื่องส่วนตัวส่วนตัว เป็นเรื่องของใจใครใจใครนะขณะเดียวขณะเดียวมีชีวิตยอยู่ขณะเดียวเป็นความลึกซึ้งเป็นเรื่องของการเดินทางผุดสานนาะพูดถึงทางกี่ทิมปองใส่ว่องไวเนื่องจากมันได้ทางเดินทางได้ไวความทุกขก็ลดลงโดยเฉพาทุกข์บความคิดลดลง คิดปรับรู้วควบิดปรับรู้ควบปัมนันได้ทางอา่นรู้แล้วมันละปล่อยวางมาให้สงสัยได้ทางเราก็ฝึกหัด ก, กันจะเห็นบุญได้เห็นบาปจะเห็นความสุขจะเห็นความทุกข์จะเห็นความโงมจะเห็นความฉลาดจะเห็นความมืดจะเห็นความสว่างเป็นนักพลเราก็จึงฝึกหัด ก, กัน ไม่เกี่ยวไฟอุ่นารือค อ, อุ่สานีไม่เกี่ยวเกี่ยวเหมือนกันทุกวันนะวันไหนวันไหนเวลาไหนเวลาไหนได้กลับมาหาตัวเองรู้สึกตัวรู้สึกตัวเกิดความสัมรวมระมัดระวังขึ้นไหมเกิดทำที่ทําให้เกิดความไม่ประมาทขึ้นไหมเมื่อใดก็ตามที่เรากลับมามันก็อบอุ่นรู้สึกมันคงไปในใจของเราเนี่ยละ ใจไม่มีตัวไม่มีตนเป็นนามธรรมจิตเดิมแท้ที่ประพัดสองตองใส่ก็คือใจทิมว่างหมายจากความเป็นตัวตนในตัวตนก็เกิดจากความคิดการปรุงพอเรารู้สึกตัวปั๊บมันก็ปรองลงตันตีปรองปรองปรองเห็นกายเห็นใจมันก็ปรองเห็นสมมุติบัญญัติของโลกรู้จักบางเรื่องแล้วก็ปรองเห็นแล้วมันก็โอ้ปรอง มันไม่ได้ปรุงต่อถ้าปรุงต่อกลายเป็นความพอใจไม่พอใจสุขสุขสขทุกๆ ก, ก, กลับมารู้สึกตัวปับ๊บก็หยุดเกิดความยุติธรรมขึ้นมานมีคติดีๆเกิดขึ้นมานเป็นเรื่องของความสุขสวยรวยดีวิวัฒนาไปทุกๆชีวิตก็ปรารถนาความสุขรักความสุขเกียรติทุกทั้งหมดตรงนี้จึงมีกรอบของสมมติบัญญัติก็กำหนดของสังคมต่าง ผิดก็ต้องลงโทษนะถูกก็ต้องให้รางวัลนะแต่ปรากฏว่าเรารู้สึกตัวผิดก็รู้ถูกก็รู้อันจะเป็นยังไงผิดมันก็รู้ว่าผิดนะทุ ก, ก็รู้ว่าทุกสุขก็รู้ว่าสุขมันเป็นเรื่องของตัวผ่านผ่านตลอดจึงยึดอะไรเอาไม่ได้ทั้งหมดนะวันนี้รุ่งพ่กนี้รุง่งมันก็เป็นอย่างนั้นวันนี้แย่พ่กนี้ก็เปลี่ยนไป ปิกไปพิกมาเป็นกดของตายลักมันไม่แน่หรอกวันนี้ยิ้มอยู่ตรงนี้ น, ะน่าเศร้าวันนี้เห็นกันลั่ลัดอ่ะพวกนี้ตายซะแล้วชาวสายบ่ายมวยมันมันเป็นธรรมที่เราประมาทไม่ได้เลยการแก่การเจ็บการตายการใจชีวิตการพลาดพลากการปรารถนาการไม่ปรารถนาเรากลับมากัน กลับมาหาตัวเองกลับมารู้สึกตัวกันฝึกหัด ก, กันต่อไปทั้งภาษาบางคนก็กราบแล้วไปที่นั่นไปที่นี่ไปที่นู่นก็สองแสวงหากันให้เกิดความมั่นอกมั่นใจเช่นอยู่นา น, านๆบางทีมันสส จ, จํทราบจําเจศรัทธาความเชื่อมันก็ลดลงยิ่งมันไก่เห็นตีนงูงูเห็นนมไก่ ก็มีความรู้สึกเห็นใส่เห็นผุงเี่มันก็บางทีท้อแท้เลยนะเพราะทำมาไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดนธรรมะธรรมชาติกําลังเป็นอย่างที่มันเป็นทั้งในใจเขาวทั้งในใจเราแต่เรากลับไม่รู้สิ่งนี้ก็ไม่เคยฝึกความรู้สึกตัวจนกระทั่งตาสติตาปัญญาตาในมันตื่นดูตื่นรู้ตื่นเห็นพอมันไม่เห็นมันก็หลงอันรนี้มันไม่รู้มันก็หลง เมื่อศรัทธาก็ตกลงตกลงแเจาะแจ้งหาก็จะมีบอกกันว่าเออถ้าไปไม่ต้องบอกกล่าวกันไปเลยไปที่ไหนก็ได้ที่มันมีมรรคผลผนิพพานที่มันมีความเจริญก้าวหน้าไม่ต้องมาบอกแต่ว่าถ้าสําเร็จแล้วมาบอกกันมั่งมีความสเร็จแล้วมาบอกกันก็ว่าถึงขนาดนั้นไปที่ไหนก็ให้มันเห็นนเรื่องของธรรมชาติของตัวเรานี่ยละ่ะไปที่ไหนก็ตาม มันจะเห็นของจริงมีกายอยู่ตรงไหนมีใจอยู่ตรงนั้นมีใจกับกายอยู่ตรงไห น, นสติกอ็อยู่ตรงนั้นรู้สึกตัวรู้สึกตัวรู้สึกตัวกันมันเป็นอย่างนั้นเมื่อสองสวันก่อนอยู่ที่เชียงใหม่ไปสอนอยู่ที่บ้านสวนบันดาวมีกลุ่มด็อกเตอร์สักสี่คนปริ ญ, ญาโทสักแปดคนตร น, นั้นปริ ญ, ญาตรีสอนอยู่บรรยากาศ7จ็ดวันไม่ถึง5วันมั้งประมาณ5วันเต็มเต็ม รวมบันมาวันกักก็เจ็ดวันนั่นนะก็เห็นกระบวนการประมาณสักมาวันแรกสามสิบห้าคนแต่ฝึกกันจริงๆประมาณยี่สิบห้าคนฝึกกันจริงๆจังก็มีผลคนไม่เคยรู้จักเปนความรู้สึกตัวนั่นนะมีคนหนึ่งก็ชื่อประเจงประเจงงะเงองคนนี้ขายลอตเตอรี่ เขาบกเมีอาชีพขาความรวยเราก็งงไขายอะไขาความรวยว่าไขาหวยไขาหวยเงเงอะงอะเงะเน่ยเวลาเขาเก้อเก้อขินเขินก็หยิบน้ามาจิบก็สังแกล้วก็อยู่แล้วก็จะดูพฤติกรรมคนอย่างน้าก็จะเปลี่ยนไปอย่างไรหลังจากที่ผ่านการเคลื่อนการไหวรู้สึกตัวคนไม่เคยรู้เลยนะคนไม่เคยเข้าวัดเลยนะมาปฏิบัติเนี่ยใอ้ทาบุญไอ้ทาอยู่เป็นประจำ กาสังเกตเขาก็นิ่งขึ้นนะคนันนี้มีการเปลี่ยนไปสีหน้านี่ราบเรียบแล้วก็ไม่มันผ่อนคลายอะไม่ดูยุ่งยุ่งแล้วเหมือนกับกบเกลื่อนตัวเองเวลาเขินกัจิบน้ําเวลาเกินกับจิบน้ำสังเกตมันได้ายไม่มีแล้วก็ดูมั่นคงแล้วก็ก็บอกว่าเขามีความสุขเขเปลี่ยนไปอ่ะเขาก็ใจเรื่องธรรมะในตัวเขามากขึ้น เราฟังแล้วมันก็เป็นไปได้นะคนที่มาอยู่อาการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวเดินจงกรมหนึ่งวันสองวันสามวันสี่วันห้าวันมันจะเกิดนิสัยใหม่ๆขึ้นไหมจริงๆก็ไม่ใช่นิสัยใหม่อะไรมันก็เป็นของเดิมๆที่มันมีอยู่แต่เราหลงลืมมันไปแต่นั้นอะความเป็นปกติของกายของใจก็เียก็มีศีลนะนะปฏิบัติธรรมเราได้เห็นอศีลเป็นยังไงกายมีศีล ที่มันปกติน้ำผ่อลายตังเงือ้อตัางตัวมันมีศีลวาจาคําพูดมันมีศีลพูดใยความเป็นปกติไม่ได้พูดเพราะอารมณ์พาพูดความหลงพาพูดเงี้ยมันมีสติมีความอ่อนโยนมีความสละสลวยมีความนุ่มนวลมีความพุดพองพอๆใสบริสุทธิ์เนี่ยพรหมจรรย์เนี่ยมันมีศีลดวง จ, จิตมันมีศีลมันปกติอยู่ มันไม่ขึ้นไม่ลงไม่บูว่าบ่นไหวเราก็ได้สัมผัสอ๋ออันนี้ก็เรียกมีศีลรูปมีศีลสัญญามีศีลเวทนามีศีลเวทนาปวดเม่เราก็ไม่ได้ลุกลี้ลุกนลนเราก็รู้อยู่เป็นธรรมชาติของกายปรับเปลี่ยนผ่อนคลายบรรเทาแก้ไขเราได้รู้จักมันจะรู้จักเรื่องศีลมีศีลมีธรรมมีสติมีปัญญาเราก็จะได้ผ่านปัญหา ซึ่มันก็มีเหมือนๆกันต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องพัดพลาดจากของรักของชอบใจปรารถนาสิ่งใดไม่ได้ถึงนั้นขับแกนกายขับแกนใจครับที่อยู่ได้ขับใจอยู่ยากขับใจเดยเฉพาะมันไม่รู้กันมาก่อนถ้าไม่เคยฝึกการมีสติรู้เนื้อรู้ตัวตรงนี้ก็จึงต้องทํากันต่อไปปฏิบัติทำจนตายแลยนะ รู้สึกตัวจนกทังมันหายใจไม่ออกนะตายมาแล้วก็หยุดทำกันทีเหมือนกับหายใจเหมือนกับกินข้าวความรู้สึกตัวเป็นคณะต่อขณะคณะต่อขณะไปฝึกกันจะมนกาศของกาลยามิตนะช่วงนี้ปยฝนต้นหนาวอากาศดีเย็นสบายนะเอเวเกสอนดอกไม้ก็ไม่รุนแรงนะสัจจาและสิ่งก็สงบไปหมดนะยยงก็ไม่ดูนะตรงนี้เหมาะมากมากอ่ะ ตืนตอนตะเจ้ามาอากาศก็เย็นสบายช่ําวันรออากาศดีว่าเชียงใหม่ที่ไปที่สวนบรรดาลที่นั้นยังอา้าวแต่ที่นี่สบายแล้วก็เออความสบายความสะดวกเรียว่าสบายแยะอากาศสบายธรรมะสบายทําอย่างง่ายๆได้ผลอย่างเลดเลิศไปทําอย่างสบายไล่ผลอย่างเร็วก็เรียกว่าสุขาวิปัสสโกถ้าทําถูกเป็นอย่างนั้นจริงๆ นั่งเดินยือนนอนจะกินจะขับถ่า ย, ยกู้อย่าเคลื่อนไหวรู้สึกตัวรู้สึกตัวม่ตั้งความคิดมัน ว, าว่าไหวแล้วก็รู้สึกตัวมันละเอียดตัวนี้เราก็ไม่เคยเห็นความคิดที่ละเอียดละเอียดอารมณ์ที่มันละเอียดละเอียดแต่พอได้แ ย, ยบคายอยู่กับตัวเองสักหน่อยเราก็ได้สัมผัสออกมันมีอาการที่ละเอียดลึกลงลึกลงลึกลงตรงนี้มันก็เป็นเรื่องของความปลอดภัยเป็นความมั่นอกมั่นใจ เป็นหลักประการของชีวิตเราที่เราจะใช้ชีวิตนั่งเดินยืนนอนอย่างมีกำไรชีวิตต่อไปสุขง่ายทุกยากเป็นความสุขที่ไม่ใช่อิงวัตถุไม่ใช่อามิต ส, สุขเป็นนิรามิต ส, สุขอยู่กับชีวิตของเราอยู่กับลมหายใจอยู่กัการเคลื่อนไหวอยู่กัหน้าที่ที่จะต้องทําตามสมควรแก่การปฏิบัติก็จะมีหน้าที่กันต่อไปหน้าที่ต่อโลกหน้าที่ต่อมนุษยชาติหน้าที่ต่อสังคม หน้าที่ต่อชุมชนหน้าที่ต่อครอบครัวหน้าที่ต่อตัวเองกับตัวเอ ง, เ, องเรียกว่าประโยชน์ตนแล้วเราก็ไม่ลืมประโยชน์ท่านตามโอกาสตามกาละตามเทสะต่างๆ ต, ต, ต่อไปอ น, นี่มันเป็นความรู้สึกตัวแนวหลวงปู่เตียนนี่ทัานก็ชี้นำง่ายๆแล้วละท่านทถ้าทําถูกถ้าถูกถทำถ้าทําถึงมันก็ถึงทำมันมีอยู่ก็เรียกว่าตัวใครตัวเราละ มีความเชื่อลงไปทําแล้วก็ทําถูกรู้สึกตลอดขณะเป็นปัจจุบันนจิตใจมันก็รื่นเริงขึ้นมามาทํางานแล้วมันมีผลเมื่อให้ผลเกิดความมรื่นเริงขึ้นมาเกิดความอิ่ม อ, อกอิ่มใจมั่นอกมั่นใจเกิดความสงบระงับขึ้นมาจิตใจมันเคยฟุ้งซ่านว่าวุ่นสัดใสมันก็รู้สึกว่าเออมันจุดหุดนิ่งนิ่งเป็นที่เป็นทางมากขึ้น อยู่ในกรอบของปกติธรรมมันก็จะมีลักษณะของจิตใจของเราเคยสัจใจตั้งมั่นขึ้นมกับความรู้สึกเคยปวดลาลไปทางตาหูจมูกลิ้นกายใจมันปวดลาดมันวาไหวไปมันติดในดรถวัตถุนิยมหรือว่าเป็นเรื่องของสังคมนิยมบริโภคนิยมมันหยุดมันหยุดลงเพราะว่ามันมีความสุขในตัวนิลามิสุขตัวนี้ มันเกิดความตั้งมั่นในความสุขที่มันอยู่ในตัวขึ้นมาแล้วสมาธิเราเป็นสัมมาสมาธิซะด้วยพอติมตั้งมั่นไปเรื่องของนอกตัวเป็นมิจฉาสมาธิมันกลับมากลับมาเป็นสัมมาไม่ใช่สําไปขวัญเอ๋ยขวัญเอ๋ยกลับมาอยู่กันเนื้อกับตัวไม่ต้องให้ใครเรียกขวัญทุกครั้งที่รู้สึกตัวมันก็เรียกกลับมาเองอยู่แล้วตัวนี้เราก็ได้เห็นความเบื่อหน่ายติมเกิดขึ้นมาะ ก็เรื่องต่างๆมากมายที่อยู่กับโลกรสชาติของโลกรสชาติของโลกก็แรงแต่พอเรารู้สึกตัวมันก็หยุดลงที่เราเราไม่ได้เปลี่ยนโลกโลกยังเหมือนเดิมคนยังเหมือนเดิมทุกสิ่งทุกอย่างสิ่งแวดล้อมเหมือนเดิมแต่ว่าเราไม่เหมือนเดิมก็คือเราเข้าใจสิ่งนั้นมันก็หยุดลงที่เรานี่เปลี่ยนไปไปดรถทำทำให้เราเปลี่ยนไปไม่ใช่เขาเปลี่ยนไปนะแต่ในแง่คิดมุมมองเนี่ยเปลี่ยนไปจริงๆ มันมีหลายแง่คิดหลายมุมมองมองแง่ดีมองแ ง, ง่ร้ายแต่องงพอเราเห็นความจริงเออมันเป็นแค่สมมติบัญญัตินะคือความคิดอันนั้นนะมันก็เปลี่ยนได้เรื่อยๆนะไม่ถือสาหาความนี่มันมีอยู่มันก็เลยเออได้คําตอบเหมือนกันนะมันก็หลุดพ้นทุกลั้งที่กระทบการอารมณ์อารมณ์มันไม่ใช่ความเป็นปกติบวกบวกรบๆบสุขทุกขนะ์มันมีแล้วนะของทางสายกลางความเป็นปกติธรรม เรากลับมากลับมากลับมากลับมากลับมากลับมาแล้วกลับมาอีกนะก็ชํานาญขึ้นไหมมีที่อยู่หลักแหล่งจิตก็คุ้นกับความเป็นปกติมัก็รล้วนลอกขอบชิดแล้วก็นี้ก็เกิดการสำรวมขึ้นไหมทุกครั้งไม่เผลอถึงเผลอไปก็กลับมาได้ไวอ่ะพอมรู้ว่าความปลอดภัยความไม่ปลอดภัยเหมือนกับเอามือไปแตะไฟนะเวลาแตะอารมณ์เหมือนเอามือไปแตะไฟอย่างไงงั้น มันจะร้อนขึ้นมาเลยจิตในปกติมันชักกลับทันทีเหมือนเด็กเล่นไปนะมันไม่เคยรู้ว่าร้อนพอโดนร้อนมันก็ชักกลับทันทีนะเราก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ก็ยิ่งว่านั้นไม่ต้องเอามือไปทดลองมาลุยแล้วมันร้อนนี่คือความเป็นปกติในจิตในใจของเราทุกครั้งที่มีอารมณ์มันก็เกิดการพ้นผ่านขึ้นไหมเดินผ่านทันทีผ่านทันทีผ่านทันทีทำซ้ำซ้ำซากซากอยู่นั่นนะ เรปฏิบัติทำเห็นแล้วเห็นอีกเห็นแล้วเห็นอีกจนหายสงสัยจนกระทั่งมันก็มันได้คําตอบแล้วก็ไม่ต้องไปถามใครนะหายสงสัยตรงเนี้มันถึงเป็นวิปัสสนาญาณเป็นการเดินทางสู่การพ้นทุกข์มันจะเกิดอะไรขึ้นมาอีกกั น, นะนะั่นแหะกลับมาที่ทางกลับมาที่ทางกลับมาที่ทางบางทีใหม่ๆฝึกหัปฏิบัติเนียกันหนีไม่พอนันะ่นนี่วาราทำมันขวางกลับมามกลับมาเจอความง่วงนะ กลับมาเาเจอความฟุ้งเฟ้นกลับมาในทางมาเจอการพยาบาทความลังเลสงสัยต่างๆถึงจะกลับมาในทางก็ยังเจออยู่ก็ต้องเรียกว่าฮึดสักหน่อยขยันสักหน่อยมีความขยันกี่เกียรติก็ทําขยันก็ทำละง่วงก็ทําเบื่อก็ทํำก็กลมหน้ากลมตาเจียมเนื้อเจียมตัวบางคนยากจนนะนะคนยากจนมันไม่มีตัง ทำไงางานอะไรก็ต้องทํามไปก่อนนะเจอขยะต้องเก็บประลงพลังหม่อยแล้วก็ทํางานก็ต้องผูคําชาว่าไงก็ต้องยอมนายจ้างว่าไงก็ต้องยอมไม่อยากเอตังค์มันเหมือนยังไงอย่างนั้นเลยปฏิบัติรมก็เหมือนอย่างเนี้ยคิดมากๆ ก, ก็กลับมาหาตัวกายให้ได้ก่อนมันจะสามารถถามจะวิปัสสนากป็นควสนใจลกลับมาหาสัมผัสรู้กระทบนิตย์กายของเราเคลื่อนไหวหแต่ละขณะ ตรงนี้ยมันยากะสำหรับผู้ใหม่ที่ไม่มีศรัทธาด้วยมันยากแต่ถ้ามีความเชื่อสักหน่อยมีศรัทธาสักหน่อยก็ทําไปก่อนเจียมเนื้อเจียมตัวกล่มหน้ากล่อมตาไปทาไปทามามันกยหลุดหลุดลงลงได้บางครัง้งบางคราวนะใครสังเกตดูตรงนี้แหละมัจะสร้างศรัทธาให้เรานะพอเราลงมือกระทานะเอาการกระทำำํานํานะำ เสร็จแล้วมันผ่า น, านได้บ๊อบบ๊อบแบมแบมเรียก ว, ว่าช้างกระดิกหูงูแลบลิ้นหรือ ว, ว่าสายฟ้าแลบหรือว่ามันมืดมืดตึ้อๆอยู่ตื้อๆอยู่มีหลุดโล่งสักนิดๆหน่อยๆบ๊บๆบแบมแบ ม, มันเป็นแสงสว่างจริงๆนะตรงนั้นเกิดความรู้สึกว่า ม, มันมีรสชาติเล็กๆของความตื่นตรงนี้ท่าจางสมมากๆนะเห็นปับ๊บรลุดเห็นปับ๊บรลุดเห็นปับ๊บหุดมก็ๆๆตื่นตัวขึ้นมา รู้เฉยๆรู้เฉย ๆ, ๆไม่ใด่ใฉยๆธรรมดานเป็นรู้ตื่นเบิกบานขึ้นตรงนี้มันใฉยรู้ใฉยรู้ใฉยรู้ในตัวเรามันจะสงบเลยนับเลยทีเดียวถึงตรงนี้แล้วมันก็จะเหมือนกับว่า ก, กุกเกียร์น้อยเต็มทนะีเพราะว่ามันมาฟัดกาลมข้างในอยู่มาฟัดอยูนะ่มาบูมาสู้อยู่คนระัความคิดการปรุงข้างในของเราะ ความเจ็บความปวดความเมื่อยนะหรือว่ามันติดขัดตรงไหนมันก็จะพัฒนาตรงนั้นนะเราจึงเป็นเรื่องของประสบการณ์ที่เปลี่ยนร้ายกลายเป็นดีเปลี่ยนผิดกลายเป็นถูกเปลี่ยนทุกข์เป็นไม่ทุกข์นี่แหละคือการปฏิบัติธรรมที่ามารวมตัวกันอาตมาหรือผมก็เชื่อว่าสิ่งนี้โดยเฉพาะนะทุกคนที่เราเห็นว่ามันน่าจะมีทางออกของชีวิต แล้วก็เป็นทางออกที่เราไม่ต้องมาคิดไม่ต้องมาคนป่ามาค้นหาอะไรเพราะว่าเราเชื่อว่าองค์ศ า, าสดาของเราพอของเรานะคือองค์สมเด็จสัมมาสัมพุทธะท่านรู้จริงท่านเห็นแจ้งมาแล้วท่านก็ชีน้นาเราก็เดินตามเลยเลยว่าเรื่องการปฏิบัติปฏิบัติเป็นหนึ่งปริยค เ, เป็นสองเยนอาการเปิดนําปฏิบัติ พอมันมีการปฏิบัติมันก็มีผลของการปฏิบัติเกิดขึ้นไหมความรู้สึกตัวความรู้สึกตัวเห็นกายขึ้นไหวเห็นใจนึกคิดจุดปฏิบัติจุดเนี้เราก็จึงไม่มามืดไปมืดไม่มาสว่างไปมืดเรายกความเป็นมนุษย์ของเรานะให้เป็นพระเป็นอริยะเป็นขั้นเป็นตอนลําดับของอารมณ์ปฏิบัติใหม่ๆมันงัวหนายเป็นคนนะฟุ้งซ่านสับสน เดี๋ยวคิดอดีตเป็นสุขเป็นทุกข์เดี๋ยวคิดอนาคตเป็นสุขเป็นทุกข์เดี๋ยวคิดปัจจุบันเป็นเรื่องของวิภาวิจารณ์พอกลับมาดูข้างในก็เป็นวิตกวิจารอีกนะมันอะไรนักก็ไม่รู้ความคิดนะใหม่ๆเหมือนจะเป็นอย่างนั้นแต่พอหลังจากที่จับทางได้ได้หลักนะจับกายเป็นความสนุกขึ้นมาเราเรียกมาสว่างก็ยิ่งไปสว่างศรัทธามาก็ต่อเป็นปัญญามีบุญมาก็ต่อเป็นกุศลนะได้รู้จักจริงๆสมมุติบรรญัต จะก็ตังมือนกัว่ามันได้เห็นกายว่ า, จาใจของเรามันมีศียังไงมันมีสมาธิยังไงใช้เป็นปัญญาอย่างเงี้ยปัญญาที่ม่เกิดจากการครบคิดเป็นยังไงเป็นการสัมผัสทำเพราะว่ามันเกิดมาจากการสัมผัสไม้สัมผัสมือเกิดการวางอะไรที่เป็นอกุสนวางปล่อยมันแล้วทิ้งมันแต่ว่าถึงเวลากระยิบ ม, มาใช้บ้างพระจึงมีพระเดชเตชะเตโชไฟหรือว่าพระคุณนะ พรหมจึงมีพระเดชพระคุณมีเมตตาเรานามเมตตาเบาิกขาเหตุแล้วก็สงสารเราก็ช่วยด้วยโดยการลงมือกระทำลงไปช่วยได้อนุโมทนาสาธุยินดีด้วยจากทุกเป็นไม่ทุกเ้วก็ตายสดช่วยไม่ได้ยินเฉยพร้อมที่จะช่วยต่อไปเฉยรอได้คอยได้นะเพราะฉะนั้นมีการพัฒนาแน่นอนอาการเวทธรรมของใครของเราอันนี้หวังได้ แต่ว่าเราก็จะสร้างเหตุกันต่อไปโดยการเคลื่อนไหวรู้สึกตัวในรูปแบบนอกรูปแบบบางทีช่วงนี้ก็จะมีมกุราชกปีใหม่ทุกๆปีในสายงานก็จะมีกิจกรรมต่างๆทั้งปีจนถึงธันวาคมอันนี้ยังเหลือเหลือเหลือเดือนพฤศจิกาแล้วก็ธันวาในสายงานก็จะมีการวีนบัตรเปลีย่ยนเงินทุกเดือนนะนะ แล้วก็ทุกอาทิตย์เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกันไปที่วัดเราก็ยังมีกิจกรรมเหลืออยู่เราเก็บอารมณ์เข้มเก้าวันก็คือวันมาวันกลับไป้องน้ำลองทํามันจริงจรงจังถ้าเจ็ดวันนี่ดูเลมันจะเป็นยังไงอารมณ์รูปนามจะปรากฏไหมอย่างนี้รูรูรูรรนามการฝึกตีได้หลักคือเห็นความคิดจริงๆขึ้นไปมันจะได้ไหมสําหรับญาติโยมก็จะมีคอสเดือนพิการเก้าพิการเป็นต้นไปแล้วก็ จะมีเดินธรรมยาตานะสองสนามนะี่น่าสนใจนะเป็นสนามที่นะพิสูจน์เรื่องของสติสมาธิปัญญาเรื่องความมีศีลความเป็นปกตินะี่ได้ดีในรูปแบบจริงๆก็มาเดินจงกรมกันที่นี่ปฏิบัติกันที่นี่อันนี้ก็ขอเชิญชวนเะพราะว่าธรรมยาตาได้เจอกับสภาวะของธ า, า, าตุน้ำธาตุไฟธาตุดินธาตุลมโลกธาตุเราสถานการณ์ที่เราไม่รู้จะเจออะไร นี่ในวินาทีต่อไปจะนั่งจะเดินจะนอนจะกินจะขับถ่ายยังไงเนี่ยอันนั้นก็น่าสนใจสองสนามเนี่ยนะก็เชิญชวนกันเพื่อเป็นการเหมือนกับว่าพิสูจน์ตนแล้วก็เป็นเรื่องของการชี้นําร้ากระแสชี้นํสร้างกระแสก็ารวมตั ว, ก, วกันประท้วงแดงแดงเหลืองเหลืองหรือว่าสองฝักสองฝ่ายฝ่ายกานฝ่ายรัฐบาลถึงเราก็ลองตักตวงตัวเองกันระหว่างทุกข์กับไม่ทุกข์ความปกติกับไม่ปกติ มัก็รวมตัวกันทําดีรวมตัวกันฝึกจิตในบรรยากาศในฐานะของการียาณมิตรเพื่อให้เข้าถึงการียธรรมกันต่อไปอย่างนี้นะเพราะนั้นเราก็ได้มันก็ว่าโอกาสได้โอกาสได้มีบุญได้มีวาจนาแล้วก็ได้ยังมีลมหายใจเข้าออกอยู่เราก็จะได้ใช้หลักของการเจริญสติฝึกสติตามแนวคําสอนขององค์สมเด็จจำมาเหมือนเจ้า ก็คือการเห็นกายการเห็นวินาการเห็นจิตการเห็นธรรมนจนถึงเห็นเหมือนกับว่าครบถ้วนเป็นกฎของพาตัลักษทิมแสดงการเกิดขึ้นการตั้งอยู่การดับไปให้เหลืออยู่จนกร้ทั่งมันก็นว่าความประพฤติดีของเราที่ผ่านมาหรือว่าการอุปัฏฐธรรมของเราที่ผ่านมาก็จงเป็นไปเพื่อความพาสุขแล้วก็หลุดพ้นให้เข้าถึงของสภาวะของนิพพาน ในวันชาตินี้โดยทุหน้าการทุกท่านทุกรูปทุกนานเธอ